3.10 เราปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองวงเล็บเปิดยี 24. มีนาคม2550ัในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที23วงเล็บปิดเราปฏิบัติธรรมเพื่อใครเพื่อตัวเองนั่นแหละไม่ใช่เพื่อใครหรอกไม่ใช่เพื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อนะไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองแท้ๆเลยกิเลสแผดเผาจิตใจเร่าร้อนอยู่ทุกวี่ทุกวันเห็นไหม มันทุกขนาดไหนเห็นบ้างไหมแล้วจะยอมจมอยู่กับความทุกข์แบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าตลอดชีวิตแล้วก็ข้ามภพข้ามชาติก็ไปจมอยู่กับอย่างนี้อีกหรือชีวิตนี้ได้ฟังธรรมะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นนาทีทองในสังสารวัตรแล้วนะน้อยชาติที่จะได้เกิดเป็นคนน้อยชาติที่จะได้ฟังธรรมะน้อยชาติที่จะได้สนใจศึกษาปฏิบัติลงมือทําจริงๆชาตินี้พวกเรามีทุกอย่างเลยนะพวกเราได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พวกเราสนใจศาสนา พวกเราได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพวกเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกคนเลยคนงานมากก็ปฏิบัติได้คนงานน้อยก็ปฏิบัติได้เด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายทําได้หมดแหละนี่เราได้รับสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วถ้าระลึกชาติได้จะรู้เลยว่าชาติที่ไม่เจอาศาสนาพุทธจะวางเวงใช้คําว่าวางเวงนะแล้วไประลึกเอาเองว่ามันวางเวงไหมไม่ใช่ชั่วนะแต่วางเวงมันทําบุญทําทานอะไรอย่างนี้มันทําไม่ใช่ไม่ทําหรอก แต่จิตใจไร้ทิศทางไร้ที่พึ่งมันวังเวงใจดังนั้นชาตินี้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมีโอกาสที่ได้ฟังธรรมได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วต้องทานะอย่าทิ้งนาทีทองในสังสารวัตรนี้ไปซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งไม่เหมือนนาทีทองในโทรทัศน์หรือห้างสับสินค้านะมันโกหกวันหนึ่งมีตั้งหลายรอบเนี่ยบางคนมาถามหลวงพ่อว่าทาไมหลวงพ่อภาวนาเร็วตั้งแต่เจ็ดขวบ หลวงพ่อภาวนาแต่ทําได้แค่สมถะไม่มีวันใดที่ไม่ทําเลยคิดว่าการปฏิบัติมีแค่นั้นแหละแค่นั่งหายใจทําอาณาปนสติจนอายุ29ทําสมถะอยู่22ปีไปต่อไม่เป็นไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองตั้งแต่6กกุมภาพันสองพันที่ท่านสอนไม่มีวันใดที่ไม่ได้ดูจิตตัวเองแทบจะเรียกได้ว่าเว้นแต่เวลาทํางานที่ต้องคิดกับเวลานอนเวลาที่เหลือคือเวลาดูจิต ถ้าเรากล้าทุ่มเทขนาดนี้นะตั้งแต่ตื่นจนหลับหลับแล้วมันยังดูต่อเลยแล้วทำไมมันจะไม่เร็วมันทำอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วทำไมมันจะไม่เร็วเอาให้ได้นะหลวงพ่อไม่ได้วิเศษกว่าพวกเราหรอกแต่หลวงพ่ออึดกว่าพวกเราหลวงพ่ออึดแล้วหลวงพ่อไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่เชื่อง่ายๆดีนะไม่ใช่ภาวนาไปเจอสภาวะอะไรก็เชื่อแล้วบรรลุแล้วถูกกิเลสเอาไปกินแล้วนะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นต้องดูนะ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 ภาวนาแล้วเราเห็นความจริงของกายของใจมากขึ้นไหมภาวนาแล้วทุกน้อยลงไหมคอยรู้ลงไปตรวจสอบตัวเองเรื่อยๆนะเครื่องตรวจสอบมีนะพระพุทธเจ้าสอนไว้เยอะแยะไม่ใช่ภาวนาแล้ววูบหมดสติไปตื่นขึ้นมาบอกบรรลุพระอารหันนะอย่างนั้นมันหันไปหันมากิเลสมันไม่หมดหรอก